การทมกัน ต, ต, ตามการตามเวลาเป็นมงคลนันสูงสุดก้ไม่เคยได้ฟังอาจจะได้เคยฟังฟังแล้วยังไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจจที่สงสัยอาจจะหายไปหมดไป ความเห็นให้ถูกต้องเกิดขึ้นขณะที่เราศึกษาธรรมฝังธรรมกันปฏิบัติธรรมการมีหลักใจสร้างหลักใจเป็นของส่วนตัวสร้างหลักฐานทางกายเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของเราเต่ยนไปเรื่อยๆโดยช่าง ทำไรทำนาสร้างบ้านสร้างเรือนทุ่งเทจนหมดเที่ยวหมดแรงก็ได้สร้างบ้านก็ได้บ้านานาถางนาทางนาทางป่าก็ได้นาทำมาหาจินเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นแต่ก่อนก็เป็น ของพ่อของแม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นของลูกของพ่อของแม่เดี๋ยวนี้เป็นของหลานเหลนหลานเลนทึงไม่ใช่ตระกูลเราเลยเป็นหลานเขยหลานไพเป็นของหลานไพหลานเขยไปแล้วเราไปบ้านไปเรือนไม่กล้าที่จะไปนั่งอยู่บ้านเราทําเองเรือนเราสร้างเองเป็นของหลานเขย หลานเขยไม่ใช่หลานเราเป็นเป็นคนอื่นเราจะขออะไรจากของอะไได้เพราะไม่ใช่ญาติ <c oughs> ไปขออาหารวิธ บ, บ ด, ดาาบธบาจากหลานเขยไม่ได้ผิดวินัยไปขออาหารวิธบดจากหลานไพลูกไพ่ไม่ได้เลยผิดวิ น, นัยไม่ใช่ลูกของเรา มก็เป็นอย่างนี้นั้นเปลี่ยนเจ้าของไปอันนั้นเป็นหลักฐานทางกายไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วจะเหตุปัจจัยมันเป็นไปทางไหนหนาที่เราเคยสอบเคยสาวไม่ใช่ของเราไปแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วเราจะไปเหยียบไปดูไม่ได้ถ้อ ต่อ <c oughs> มาให้เราไปจิตที่เป็นของคนอื่นการมาสร้างหลักใจเนี่ยมันของเราไม่มีใครมาแย่งเอาไปเปลี่ยนเจ้าของไม่ได้เป็นของใครของเราเรามีทำเราก็เป็นของเราเรามีศิ่งก็เป็นของเราเราก็พึ่งพาใช้ได้ทุกเวลาที หลักกายนั่นพึ่งไม่ได้แล้วตกไปเป็นของคนอื่นไปแล้วพอเราจึงอย่าให้พลาดในหลักใจหลักใจคือปฏิบัติธรรมแร่งไม่เสียท่วมไม่เสียหลักของกายมีเสียบ้างแร่งเสียท่วมเสียโจรลักไปได้ไปไม่ได้น้ำท่วมได้ลมพัดเสียหายได้ แต่หลักใจถึงไม่มีเสียเป็นอมตะเป็นของส่วนตัวเราจึงไปต้องมีทรัพย์ในก้อนนี้เรียกว่าอารียทรัพย์ไปทรัพส่วนตัวของเราอย่าให้จนอย่าไปอ้างเอ า, เอาหลักภัยต้องออกมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนเกินไป เหมือนโบราณท่ว่ากาจินช่างกาจินช่างโบรานท่านว่ากาจินช่างอย่างนางวกรธท่าหอนกาหลงหลอนตัวเองว่าแฉบลุ่ยเหลือหล่นกาเห็นสร่างร้อยมาบวชเคยจวบนกกิ๊กเสวอแล้วสักถ่วงกาเหยียบ่อยฟังกาหลงสร้างกาจินช้างกาเห็นสร่าง ตัวหลวงโวตองฮวงส้วงศพกินเลี้หน่อยก็เห็นกาหลงหลื่นกินไปโบท่วนเหตุห่วมหลวโม้โทสันแบกลับลำตองก็เห็นสร้างตัวหลวงวับตองฮวงส้วงศพกินเลียงหน่อยสิตายจ่อยกลางทะเลเวลาท่านฮ่กูไมีลูกมมีเมียกูไมีผัว กูไม่ชับสมบัติกูว่าตายม่วยึดมัว อ, อยากชวนไปปฏิบัติธรรมนะไ ป, ปวัวไตอ่าไม่หลบไม่หลานไม่บางไม่ผอมผอเหี้ยนผอซ้านบางม่ผู้ใดดูเล่หวงนกกิกเสวชวนไ ป, ปัดนกขิกนกขิกคือชวนไปปฏิบัติธรรมกันเถอะ อย่าหลงมากกันไปกาเย้ยกาเย้ยเลยบอกว่านี่แหละคือของเรากาเย้ยไม่อยากฟังชวนไปปฏิบัติธรรมชวนไปรักษาศีลไปไม่ได้กาเย้ยไม่อยากฟังหลงอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงทรัพย์สมบัติทัพสิสะดึงคาร เฉยเลยลูกหมว่าจริงเรานั่นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากาตัวช้างตัวใหญ่ก็ตามมันไหลมากาก็บอกว่ า, วากินไม่หมดงออยู่บนซ่าของช้างนั่นแต่ซ่าของช่างนั้นมันลอยอยู่ในน้ํามันไม่อยู่นิ่งมันไปเรื่อย อันทรัพย์สินจะดึงคานมันไปเรื่อยแล้วก็กาก็หอยกินอยู่บนซ่าของช้างนั้นมันก็พาไหลไปกินไปกินไปกาหลงกาเห็นกาเห็นช่างตัวหลวงไม่ต้องห่วงเลยกินไปอย่างนี้แล้วกินไปอย่างนี้แหละไม่หมดไม่กดไม่อยาก ในที่สุดช้างก็ไหลไปไฉยไปไหลไปลไปกลฝั่งไกลที่ไกลอะไรไปไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแล้วไหลไปผลที่สุดซาของช้างมันก็เผยก็เน่าก็หมดปอยช้างก็จมลงกงล่างทะเลทะเลคือไม่ทะเลมหาสมุทรไม่มีฝั่งก็บินขึ้นฝั่งบินไม่ขึ้นเลย ก็รวยทางไหนคือฝั่งวนยันอยู่จมลงไปในกับช้างด้วยเป็นทุกข์เพราะาหลงเลว่าขึ้นฝั่งไม่ได้เลยก็หลงหลินกินแห่ไม่ทวนเหตุก็หลงสร้างตัวหลวงไม่ต้องห่วงส่วงจิบกินเล่นน้อยจะตายจ้อยกลางทะเลตายกลางทะเลนั่นหลงทิศหลงทางไปไหนไม่ได้เลย โมอยู่ในความสุขความทุกข์โฉมอยู่ในความลิกความชังจอมอยู่ในความพอใจไม่พอใจนั่นไม่ใช่ที่อยู่ของชีวิตเราชีวิตเราต้องไม่มีเป็นอะไรขึ้นฟังได้แล้วนี่คือหลักใจไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่ใครของใครของมันทําให้กันไม่ได้ เราจึงต้องขวนขวยกันบ้างศึกษาปฏิบัติกันบ้างมีสติมีสติรู้สึกระลึกได้ก่อนใช้ชีวิตของเราให้เห็นผิดเห็นถูกอย่าเป็นผู้ผิดผู้ถูกมันมาให้เราเห็นมันมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นทำให้เราเห็น มันผิดก็เห็นมันผิดมันถูกก็เห็นมันถูกมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันไม่อยู่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทุกบังอย่างมันจรมาทุกบังอย่างมันปรุงแต่งขึ้นมาทุกบังอย่างมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนให้เห็นแจ้งตามความเจริงของทุกทุกที่มันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเช่นหายใจเข้าหายใจออกคือน้ําลายพิบตาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอน เป็น้าบ้านมาแต่เดิมอย่ามาเป็นทุกข์ให้เห็นแจ้งทุกบังอย่างมันจนมาขันตุกะดุกบังอย่างมันมันมาใช้เราปวดหนักปวดเบานอนอยู่ก็ต้องได้ลูก ไม่มีใครเป็นใหญ่ได้กูไม่ถ่ายกูไม่เบากูไม่กินข้าวไม่ได้มันต้องเรกใช้เขาบันเทาไปตามสภาพทุกท่านทุกวางอย่างมันจรมาก็าเราก็เห็นเช่นคันตุกะทุกคือความโกรธความโลภความหลงความวักลักความชังมันจรมามาใช่กายเรามาใช่ใจเรา แล้วเราไม่รู้มันก็รับใช่วันมันก็เป็นใหญ่ต้องมีกันทุกคนความโกรธความโลภความหลงเราก็รับใช่ความโกรธความโลภความหลงรับใชค่ความรักความชังตั้งทั้งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็เห็นแค่บางอย่างก็ละบางอย่างก็บรรเทา บางอย่างก็กำหนดรู้เฉยๆทำอะไรกับมันไม่ได้ก็บรรเทาไปตามสภาพทุกข์นี่คือเหตุคือปัจจัยที่เราไปเกี่ยวข้องการศึกษาทำหาหลักใจต้องรู้เรื่องนี้ชัดเจนแม่นยำไม่เสียเวลาผ่านได้เลยเนี้ยมีสติเป็นทางผ่านเป็นทางมเป็นทางเอกเอกมังคุปสุทิยา เห็นกันทุกคนมีกันทุกคนมีพระกันทุกคนวางผู้วางคนก็ศึกษาจนวางลงแล้วแต่ก่อนเคยหนักเคยยึดเคยถือเดี๋ยวนี้ก็วางลงเหมือนพะอระเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วไม่หยิบเอาของหนักกันเดิขึ้นมาอีกแล้ว มาหยิบเอาความแล้วความชังความพอใจความไม่พอใจเอามาจิกแล้วไม่รลับใช้มันอีกแล้วถอนออกได้แล้วเหนือแล้วนี่เร้วกว่าอย่างนี้ไม่มีใครให้กันได้เป็นของส่วนตัวต้องหัดตนฝึกตนสอนตนเราก็มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เห็นเรื่องนี้ เห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกิดกายกับใจเรานี่มาชี้เห็นอันอื่นเราจะให้ความทุกข์เราจะรับใช้ความทุกข์ความหลงความโกรธความรักความชังมันไม่มั่นคงมันก็พึ่งเราไม่ได้พึ่งกันก็ไม่ได้เราจะมาปฏิบัติทำกัน เมื่อรู้เรื่องนี้ก็เป็นคนเดียวกันได้แล้วก็เป็นหลักใจหลักใจอันนี้นะ่ะไม่มีไม่มีจนแค่ไขเปลี่ยนได้เหนือ ก, การเกิดเจ็บเจ็บตายได้อันหลักกายนี้แก้ไม่ได้ เป็นแต่เพียงอยู่ครังชั่วคราวแต่ก็ต้องมีต้องขยันหมั่นเพียรอยาเกียดตข้านแสวงหาหลักกายให้เป็นอาชีพไม่ใช่ไม่ทำอะไรขยันหมั่นเพียรขยันหา เพื่อเป็นบจจัยหามาได้ก็รู้จักรักษารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์รวมกันเป็นผู้มีสมมาทิฏฐิอย่าเป็นแรงข้ามมากาข้าบหนีช่วยกันเราจึงมี หลายอย่างที่เราปฏิบัติต่อตัวเราไม่ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติตัวเราถูกต้องคนอื่นก็ถูกต้องได้ประโยชน์จากเราถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่ถูกต้องคนอื่นก็เป็นโทษเป็นภัยอั้เราจึงต้องจำเป็นปฏิบัติธรรมเรามีพ่อมีแม่พ่อมแม่ก็มีลูกเวทเท่าเรามีผัวเมียเรามียติ เราต้องปฏิบัติธรรมต่อกันเพื่ออยู่ด้วยความสงบร่มเย็นนี่นเนี่ยเราจึงต้องศึกษาบ้างในกายในใจเรานี่บางที่อาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยปรีวิเวกเป็นสถานที่ตอบปัญหาชีวิตได้ วิเวกนี่ก็มีกายย ว, วิเวกจังัดกายปลอดจากเครื่องรบกวนใบว่ากายวิเวกเรายิยนดีในที่สงัดหรือไม่หรือเพิดเพลินอยู่ตลอดเวลาเพิดเทิงอยู่ที่ใดไปที่นั่น ดีฉีดีป่วที่ไหนไปที่นั่นเกงอยู่ที่ไหนไปที่นั่นล้อมอยู่ที่ไหนไปที่นั่นก็ เ, กเพลิดเพลินหลงก็ต้องปริบวิเวกบ้างสังัดกายเวลาสังข์กายมันก็ไปถึงจิตสังัดจิตได้เด็กเด่นถ้าไม่มีที่ไปก็ไปที่สุโกโตเนี่ย ตอนรบสถานที่ตอนรับว่ายเป็นประเทศไทยมีวัดว่าล า, ามในพระสงฆ์มีผู้ดูแลเป็นพานโรงบ้างเป็นกรรมกรบ้างเป็นอาจารย์บ้างอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเชิญไปเชิญไปเชิญมาเชิญมาเมื่อมันสงัดกายสงัดใจันก็สัด มันก็เป็นอุปทิวิเวกมันก็สิ้นใบตกปัญหาได้ทั้งหมดทีด่บอาอุปทิวิเวพกพุ่นพะละได้เหมือนกับเราฝึกช่างเหมือนขวนช่างฝึกช่างต้องไปฝึกในป่าให้ได้ยินแต่เสียงขวนช่างกับเจ้าของช่างเรียกขวนช่างพูดกันบ่อย ถ้ามันทำผิดก็ด่ามันถ้ามันทําถูกก็เออเออเมื่อมันได้ยินคําพูดบ่อยๆของผนช้างช่างไม่จะเป็นช่างป่าไม่เคยได้ยินพอได้ยินไปได้ยินไปมันก็จําได้จําเสียงเจ้าของได้เห็นเจ้าของได้กลิก่นเจ้าของมันก็เกิดคุ้นเคยกัน เราขี่คอมันเข้าบ้านได้มันฟังเสียงเจ้าของคนเดียวไม่ฟังเสียงคนอื่นแม้แต่ลิงก็เหมือนกันไปปฏิบัติธรรมที่บ้านหนองคุงทนาารก็มีสวนมะพร้าวที่นั่นมีวัดเป็นสวนมะพร้าวมีลิงเขาเลี้ยงลิงไ้ขึ้นมะพร้าวเวลาลิงขึ้นมะพร้าว พระที่มันก็ไปพาลิงขึ้นมาเผ้ามาให้มาสู่กันฉันาพระน้ำหอมน้ำหวานเจ้าของพระเท่าก็บอกวันเอาลูกขนาดไหนเจ้าลูกแก่พระก็บอกลิงเจ้าลูกหวานกลางพระก็บอกลิงเจ้าลูกอ่อนพระก็บอกเลีงที่นี่เราไปยืนดูอยู่เราพูดหลายคน คนนงก็พูดคนนี้ก็พูดมันสับสนล้วฟังเสียงคนอื่นมันมันโกรธมันมันโกรธแล้วไม่พอใจเจ้าของก็บอกว่ามันสับสนอย่าพูดหลายคนให้ผมพูดพูดคนเดียวลิงตัวนั้นก็ทํางานได้ดีถ้าพูดกันหลายคนเนี่ย แล้วก็สับสนได้เพราะมันไม่คุ้นเคยต่อเสียงคนอื่นอันนี้ลิงมันก็ได้ยินเหมือนกันมันรู้จักเหมือนกันอนนั้นเขาฝึกต้องตัวตั ว, ต ว, ตวมาเราฝึกตัวเองก็หวานกันบางทีน่าจะรู้ก็ไม่รู้มันหลงไปเช่แล้วจิงเวดล้อมมาค่อยดีพลาดไปเร่นแล้วถ้าเราอยู่ในกลายวิเวก สงบกายจิตตวิเวกสงบจิตมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาตามไปตามไปล้ว ก, ก็แจ้งชัดขึ้นแล้วก็ตอบได้รู้ได้รู้แล้วเห็นแล้วเห็นชัดเจนไม่มีอะไรปิดบังอำพางตัวต่อตัวตัวรู้ต่อตัวหลงเวลาหลงก็รู้ทันทีไม่มีอะไรไปมากบเกือนความหลง เราทุกข์ก็รู้ทันทีไม่มีอะไรมากบเกินความทุกข์ตเราอยู่ในไม่ที่มีเวกมันก็กบเกินอะไรต่างๆเรามเราพยายามใจะให้มันสงบมีสิ่งที่มาไม่ให้สงบก็มีเราเลยต้องอาศัยสถานที่บ้าง่างช่างเนี่ย ไปอยู่ในโรงช่างช่างเขาพระหลาชาโรงช่างก็ไกลวังไปหน่อยมันเป็นที่โปรดออกจากเมืองไปแต่เวลานั้นโจนไปจนไปพ้นไปพ้นมามาแบ่งทรัพย์กันที่โรงใกล้โรงช่างพวกโจนพ้นได้มาก็มาแบ่งกัน เขาพูดก่อนว่ากูเป็นคนฆ่ากูเป็นคนแทงกูเป็นคนยิงกูต้องเอามากกว่ามึงมึงไม่ได้ทําอะไร <c oughs> มีแต่ได้ยินแต่เสียงฆ่าเสียงแทงเสียงเหยียบมันโจรเขาพูดดีไม่เป็นมีแต่ฆ่าเรื่องฆ่าเรื่องแทงเรื่องเหยียบเรื่องทําให้ตายจ้างศึกพระราชาได้ยินแต่เสียงพูดของโจรผู้ร้าย ก็กลายเป็นโจนดุร้ายไปเลยกลายเป็นช่างดุร้ายไปเลยควรช่างจะไปเอามาใช้มันก็ฆ่าควนช่างกูฆ่ามึงกูแทงมึงกูเหยียบมึงเห็นใครไปก็แทงก็ฆ่าก็เหยียบตายลงหลายคนควนช่างตายไปหลายคนนักเก็บทุนเพระหลายชาหลายชาก็แก้ไขไม่ได้ก็เลย สั่งให้เพชฌฆาตประหารชีวิตเลยประหารชีวิตช่างตัวนั้นที่นี่มีพวนช่างเก่าแก่ขออภัยโทษไว้อันนี้พระสูตรนะไม่ใช่พูดเรื่องนะ <c oughs> พระสูตรเราตรวตัดไฟอย่างแน้พวนช่างเก่าแก่ก็มาขออภัยโทษจะเพิ่งประหารชีวิตเถอดพระเจ้าค้า <c oughs> ให้ข้าพระเจ้าดูแลสักหน่อย พนช่างแจกร้างก็กไปสังเกตจิงเวล้อมมันเกิดไหลขึ้นที่นี่ช่างศึกแทๆ้ๆทำไมจึงดูร้ายเคยเข้าเคยรงเข้าขี่ขี่เข้าในสงครามเป็นช่างลบชนะมาหลายสงครามแล้วทำไมมาดูร้ายอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัย คนช่างแก่ก็ไปศึกษาสิ่งแวดล้อมดูกลางวันก็ค่อยๆไปกลางคืนก็ค่อยๆไปไปเห็นเรื่องนี่แหละเห็นเรื่องที่โจรไปปุน่นละมคา่ากันวางแผนด้วยไปเมื่อปุ่นสําเร็จแล้วก็มาแบ่งทรัพย์กันได้เงินได้ทองมาก็แบ่งทรัพย์กันพูดกันแต่เรื่องข่าเรื่องตาลอย ควช่างแจกก็ได้เหตุมันเป็นเพราะเรื่องนี้ที่มักรบทูลวราชาให้ทหารหารทั้งหลายไปลอบจับโจรให้ได้ทหารหารก็ไลอบจับโจรได้ทั้งหมดแล้วก็ให้บัณดิตทั้งหลายพระสงทั้งหลายแม่ย่าโจมทั้งหลาย ไปทำวัดสวดมนต์อยู่เหลวโรงช่างศึกเมตตากรุณาแผ่เมตตาสเตาัเพสต้าสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์อเจอเจต่อยได้ยินไหมเราคุยกันทั่วเราก็มาฝึกตัวเราว่ากันอย่างนี้แผ่เมตตาทุกวันทุกวันในโรงช่างศึกนั้น ช่วยกันทมดีต้องช่วยกันต้องจูงว่ายต้องอ่อนน้อมถอนตนต้องเชื่อฟังอย่าเป็นผู้ที่โตโศมมโ ห, โหให้ไมีเมตตากรุณาต่การจ้างศึกประหลาดใได้ยินแต่เรื่องนี้กันหลายวันหลายเดือนจ้างศึกประหาดใจเเปลี่ยนนิสัยมาเป็นช่างที่ดีกว่าเก่า มาทางไหนเห็นคนไปคนมาก้มกอาผุยใบหูนี่ที่ออนลองปอบปอบปอบปอบปอบปบอดน้อมทนทนขี้คอได้หมืนก็หลวงตามาจากไต้หวันมาที่ปาจินบุรีเอากับขาทางเขาใหญ่อาจารย์ตุ่มพามาทางนี้ก <c oughs> ับอาจารย์น้ มายถึงเขาใหญ่ในช่างถายตัวหนึ่งเดินอยู่โนโบมโดนเปี่ยนอยู่กลางถนนแล้วมีรถคันนึงอยู่ข้างหน้านอนแล้วช่างตัวนั้นก็เดินอยู่ข้างหลังรถก็มีพวกหลังถ่ายภาพดูมันอยู่มันหันหลังให้ช่างมันหน้าจะวิ่งหนีไปโน่นมันเปิดไฟไท้ายแดงๆไว้ช่างก็เห็นไฟแดงๆ มันเลยวนอยู่ละมันไม่กล้าไปทําลายพอรถเราวิ่งไปเราไปจอดอยู่ก็ดูกับเขารถคันนังอยู่หนา้าช้างอยู่ตรงกลางเราก็อยู่ตรงนี้นช้างมันก็โกรธเรามันทําไปหูพึ่งมาม้วนมือวิ่งจะมาทุบรถเอ <c oughs> มาม้วนมือมาเว้นว่าบุบบุบมือบุมบมมันจะมาทุบรถอ๋อ เห็นถิ่มในหูวันก็ดูว่ามันโกดเราแล้วมันเป็นช่างดูรายแล้วแล้วก็บอกคนขับรถถอยหลังถอยหลังแล้วก็ถอยหลังไปคนยังตามไปอยู่เดินบุ่มบุมตามไปบางคนเขาก็ถอยหลังนี่งไปตามไปไกลแล้ก็ไปไปอะไรหยุดก้าวเคลนมามันแสดงท่าทางที่ไม่ดีเหมือนคนใช่ไหม ถ้ายิเมแม่แข่งใจเราด่ากันไม่ได้ดอกถ้าดูร้อยเราดูตาก็รู้มันก็ดูร้อยฆ่ากันได้ทําบายกันได้เพราะอะไรจริงแบบล้มในที่สุดก็ผวนช่างก็บังกบทุนพระราชาหายพยุดแล้วช่างศึกก็เลยเป็นช่างศึกพระราชาต่อไปตู้ใดเห็นทำพูดนั่นเห็นปะดิจิตร์วปปาท มันมีเหตุอย่างนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุบาทพุนเห็นธรรมชีวิตเราเนี่ไม่ใช่ดูร้ายนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์มง่อเจเดิมแต่อุปจิเลตบันจรมาเพราะชิ่งแวดล้มไม่ดีมันทำให้เป็นจรินิสัยได้เราจึงมาอาศัยในสถานที่เพื่อนมิตรทั้งหลายเนี่ย เป็นสิ่งแวดล้อมให้กันและกันนี่คือปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เราโกรธอยู่ดีเราจะไปโกรธไม่มีมันมีเหตุเสีก่อนจึงโกรธมันมีเหตุแล้วจึงทุกข์มันมีเหตุเสียก่อนจึงหลงมันมีเหตุจึงรักจึงชังอย่าทำตามมันห้เห็นเหตุมันอะไรก็ตามเกิดที่เหตุนัน ถ้าม <ide> ันหลงก็อย่าเป็นผู้หลงเห็นมันหลงเพื่อจะดูต้นเหตุถ้ามันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์ดูต้นเหตุถ้ามันโกรธก็เห็นมันโกรธอย่าเป็นผู้โกรธถ้ามันปวดก็เห็นมันปวดฉานั้นเจ็บก็เห็นมันเจ็บเห็นต้นเหตุมันแม่ที่สุดก็เจ๋งที่สุดเห็นมันตายก็อย่าเป็นผู้ตายเห็นมันตาย ที่สุดก็จเจริญตรงนี้ที่ว่ามิที่เห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนั่นหละมาสถฐานของการฝึกตนเองจึงมาเห็นอย่างนี้คาถาปัจฉิพูดคำแรกที่สุดเลยเป็นพระบวชใหม่ในปัญจวิคีทั้งห้า อุปติสาดีบทไปเจอเข้าขอให้แสดงทําให้ฟังอุปดิจัก็พูดว่าโอ้อาจฉิอัจฉิเพูดว่าพูดเทศไปได้บวทใหม่ๆที่อสองสาวันมานี้อุปดิจักก็บอกให้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไร อาจะิก็พูดกันว่าเยธรมมายเหตุปปปวาเตังเหตุตุนตถาคโตเตชะเจ้าโยนโถจ่าเอวังวัดทมหาสมโนภาษาบาลีนะตัวเอาหลักฐานเจ้หน่อยไม่ใช่พูดตัวเองพูดตามพระอาจาิแต่แปลเป็นภาษาวบาลเราก็ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดจากเหตุจะดับก็ดับที่เหตุ พระศาสดาสํานะโคดงอาจารย์ของเราสอนอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้เท่านี้เองอุปติจะได้มาลุธรมเลยเพราะเห็นอย่างนี้เราเนี่ยก็ต้องเห็นเหมือนที่ทมที่เก่าเช่นนี้เป็นอรรมตะทุกสิ่งต้องมีเหตุเช่กนกัน ต้องแค่ที่เหตุมันมันจะโกรธมันต้องแค่ที่เหตุให้เกิดความโกรธอะไรเหตุมันละ่ะถ้าดูแล้วมันก็มีสภาพที่หลงในแหลกถ้ามันหลงเราก็เป็นไปได้หลายอย่างต้นตอของอกุศลคือความหลงเห็นไหมมีแตส่สภาพที่หลงสภาพที่รู้ตรงกันข้ามอยู่เราบารมิกัดก็เห็นเรื่องนี้ทันที ไม่มีใครไม่เห็นเห็นสภาพที่รู้เห็นสภาพที่หลงเมื่อเห็นสองอย่างนี้เข้าไปมันก็จะผ่านไปได้มันหลงที่เลยก็รู้ไม่ใช่ไปแก้ความหลงกลับมาสร้างความรู้ต่างหากให้ความรู้จักตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเหลือนเอาไว้ก่อนเหมือนผลช่างฝึกช้าง ถ้มันผิดก็ไม่เอาก็บอกให้้ให้มันทําถูกแล้วมันทําถูกก็บอกเหมอเออเออเหมือนฝวัวเทียมเกียนถูกกูฝวยเทียมค่าเทียมถ่ายคนฝึกฝุ่นฝวยเทียมธาตุก็มีคําพูดกันไปทางซ้ายเกินไปก็บอกให้ไปขว้ ขวาขวาให้มันได้ยินสองคำนี้ติไปทางขวามากก็บอกวันซ้ายซ้ายเติมไปตรงก็บอกว่าเออไปไปไปอวยเท่ๆมันทำไมรู้จักคำว่าซ้ายขวบเพราะมันบอกสองคำเท่านี้ แล้วมันหันยังไงมันจึงรู้ามันไปตรงมันก็มีมีมีรอยถ่ายมีรอยถ่ายในน้ามันเหยียบรอยถ่ายกับเหยียบที่ไม่ใช่รอยถ่ายมันก็รู้ของสัมผัสทั้งได้ยินคนเพิกมันพูดทั้งได้ยินทั้งได้เหยียบสัมผัสกับความรอยถ่ายกับที่ไม่ใช่รอยถ่ายถ้ามันเหยียบรอยถ่ายอยู่แสดงว่ามันไปถูกแล้ว ก็ไปบางทีก็หยุดพูดได้บอกวันไปไปเรื่อยไปควยเทะๆยังฝึกได้แม่บอกพอทะยกควงไงอ่ะคยฝึกค่ยใช้ถ่ยบอกอถ้า <laughs> เป็นอย่างนี้เรานี่ก็บอกตัวเราถ้ามหลงก็รู้ไม่มีใครสอนเราได้เรื่องแนวเราฝึกควยเอาไปใช้งาน ผกช่าเอาไปใช้งานแต่การผลักเราก็ไปใช้ให้ให้เป็นที่ดับทุกคนทุกมันเป็นอย่างนี้พ้นหลงนี่แหละมีแต่สภาพที่หลงมีแต่สภาพที่รู้เห็นไหมขี้นอ้อยเห็นทุกคนไหมความหลงอะหรือไม่เห็นเลยล่ะฮะถ้าใครเห็นควหลงยกมือขึ้นดูสิ ยกมือขึ้นถ้าใครเห็นความหลงอ <laughs> <laughs> ย่างว่าอันเดียวกันหลงก็อันเดียวกันไม่ใช่หลงคนละอย่างอันชื่อว่าความหลงกันเดียวกันหมดเลยพระก็หลงยงก็หลงแม่ชีก็หลงชาติใดภาษาใดอายุปานใดวัยใดหลงเหมือนกันหมดเลยความรู้ก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ย มันเป็นอันเดียวกันแท้ๆเนี่ยทําไมผู้ฝึกก็ฝึกได้ผู้ทําไมเราทําไม่ได้ต้องมีความมั่นใจอย่างนี้ฝึกตนโสนตนหลักใจของเราหลักใจของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สุ่มสีสุมเฮดุ้นเดาไม่ใช่งงมองมอสาวสาวมันเป็นกบปล่อยนนะ้ำไม่ใช่เลย <c oughs> เป็นการที่ชัดเข้าไปสร้างความรู้ก็มีความรู้ทันทีเอามือวางไว้บนเข่าก็รู้ทันทีพิกมือขึ้นก็รู้ทันทีเอามือไปม า, มาก็รู้ทันทีถ้ามันหลงที่ใดก็รู้มาหาตัวรู้อย่าไปแย่ความหลงมาสร้างความรู้ประกอบความรู้ความรู้ก็ไม่ไปขอใายอยู่กับเรานี่เอง โอ้ยสูญเลยสูญให้งมสีหลงสูญในคนที่หลงน่ะฮะทำไงมันหลงเนี่ยตั้งๆที่ไม่หลงก็มีทำไมไม่ใช่ร้องตาไปด่าน้องอันเห็นคนอดอยากทว่เนี่ยโอ้ยสูญให้ลละทำไมมันลดอยากหมาก็ดีที่สุดเลยทำไมผักทำไมไปซื้อกิน ปลูกได้นะซื้อผักมากําใช่ไหมห้าบาทมาอวดกันซื้อผักได้กหยิบน้อยๆ น, ยนี่ไปอวดกันห้าบาทนะสมนาหน้ามันทําไมไม่มีกินทําไมไม่ทํากินอ่านะมือมีอยู่ทําไมไม่ปลูกกินทําไมไม่ทํากินอ่านะทำไมไปซื้อกิน แล้วมันน่าน่าจะน่าจะไม่จนนะชีวิตของคนเรานะี่ทำไมจึงยากจนกันเพราะอะไรเป็นเหตุให้ยากจนนะหนึ่งเหเกลียดขั้นทำางานงานสองเหอาบายามุกเล่นการพนันสามเหนักเลงสุลา สี่นักเลงผู้หญิงนักเลงชายเที่ยวกลางคืนเอาเวลาจช้จางงานไปเล่นไปเที่ยวไม่ประกอบการนา น, นก็ต้องยากจนแน่นอนคนเราเนี่ยนี่งั้นทำได้จริงๆลิขิตชีวิตเราได้ในมือห้านิ้วสิบนิ้วเนี่ยเอากายเอาใจเนี่ยมาทำทำดีก็ได้ละความชั่วก็เลาะได้เด็ดขาด ทำความดีก็ทําได้เด็ดขาดหัดตนที่เวลามันหลงลู้สมลาหน้าความหลงแล้วมันสมลาหน้าจริงๆนะขยันตรงนี้เลือเกินเวลามันหลงในขยันยิ้มหัวเราะความหลงมันมีอยู่ความไม่หลงเวลามันโกรธมันไม่อยู่ความไม่โกรธเนี่ยเวลามันทุกข์ไม่อยู่ความไม่ทุกข์เนี่ยจะเอาอย่างไรพวกเรานะี่ย แค่นี้เองจะทำไม่ได้เลยความทุกข์มันก็ไม่ได้มีสตาวดลอยกิเลสต์หนาไม่มีสตาวดลอยมันคือจากใจเราเนาะยะเกิจากความหลงน่ะความหลงเนี่ยเหมือนนิ้วมือสามนิ้วดูดูเห็นไหมอะไรเนี่ยนี้วสามนิ้วใช่ไหมความหลงคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวร้ายมันตัวเนี่ยตัวหลงอยู่กลางๆถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าหลงก็ โอได้ทุกได้ถ้าหลงก็ไปได้หลายอย่างถ้าไม่หลงไม่มีเลย อ, อ น, นตัวโกรธตัวทุกข์จะไม่มีเลยไม่มีแล้ว ม, ม, มันเกิดจากตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมนี่ตัวโผมนะันแล้วตัวหลงเนี่ยกับตัวรู้เนี่ยรู้เนี่ยอยู่ในเดียวกันเอาตัวหลงเนี่ยเป็นรู้เหมือนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเไยเปลี่ยนอย่างนี้เราปฏิบัติเรื่อหัด ตนสอนตนสมควรเจเวลาปันี้กาภาพร้อมกัน